ข็ความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณกำลังนำเสนอถึงวิหารธรรมคือธรรมะที่เป็นหลักใจเป็นเรือนใจที่พระผู้มีพระพรเจ้าก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้านะฮะในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยคืออบรมกระทาให้มากคือเพิ่มพูนขึ้นภายในพระทัยของพระองค์มากก็มีอยู่ห้าข้อด้วยกัน คือฉันทะความพอใจในกุศลธรรมเหล่านั้นวิริยะเพียนพยาหมันประกอบอย่างอจริงจังจิตตะมีความมุ่งมั่นแล้วก็วิมังสาใช้ปัญญาพิจารณาสดสอบถึงความเพียนอย่างยิ่งยวดก็พูดมาถึงประเด็นที่ส่งพัฒนาพระไทยขึ้นไปจนเกิดเป็นอิทธิวิธีรักรือเกิดปริที่สามารถจะทำด้วยกายนะคือธรมโนปยิธีนี่มันทาด้วยใจ แต่ว่าถ้าอิทธิพิธีแล้วก็แสดงทางกายนะเป็นอาการของพวกกสินเช่นสมมุติว่าจะเดินบนน้าอย่างเงี้ยมันก็เพ่งน้ําเป็นดินท่านก็เดินได้หรือหอบไปในอากาศมันก็เพ่งลมเป็นเป็นน้ำเออเป็นเป็นดินนะเป็นเป็นลมลมมันก็ช่วยแต่ว่าพว้เหล่านี้จะไม่คเคยทําบ่อยๆหรอกเป็นว้แต่ ขึ้นในกรณีที่ที่ต้องการวันก่อนเนี่ยมีนักฝึกอบรมธรรมะต่พวกอยู่ที่สื่อสารมวลชนคนหนึ่งเขาบอกว่าคือถ้าต้องการให้พระพุทธศาสนามีความเจริญก้าวหน้าในสังคมไทยในภาคสนามนะฮะในภาคของความเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของพุทธศาสนากชนไม่ใช่ว่าเป็นปริมาณอย่างที่เราดูในปัจจุบันเป็นเรื่องปริมาณ แต่ว่าเชิงคุณภาพเราก็ไม่ร่วมออกมาเป็นยังไงดูแล้วมันก็มีปัญหาให้พบเห็นอยู่บ่อยๆ บ, บอกว่าต้องให้คนพิสูจน์เรื่องกรรมกับเรื่องสังสารวัตรให้ได้นะแล้วนะเต้ตว่าความคิดอย่างนี้มาก็เคยคิดนะเราไปอินเดียเราสังเกตพฤติกรรมคนอินเดียเนี่ยอินเดียถ้าหากว่าเราจะนำเราพุทธศาสนากลับไปนะให้หอบไปเลย ถ้าจเจริญจนถึงพระพินยาเหาะเหินเดินอาการได้แล้วเนี่ยเอาอินเดียกลับมาได้เลยนะอินเดียก็ตื่นเต้นมากในเรื่องเหล่านี้แปลกเป็นเป็นชนชาติแปลกคือตื่นเต้นเรื่องเหล่านี้เราเห็นว่าของอินเดียมันจะอยู่ในโลกของจินตนาการเนี่ยไหมก็สร้างหนังสร้างอะไรของเขาในเรื่องเหาะนี่มีเป็นธรรมาดาเลยก็จา ข, ของเขาเรื่อยๆ อ, อะ่ะมันเป็นเป็นอยู่ในโลกของจินตนาการโลกของความฝัน แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีประสบการณ์ที่สะสมอยู่ในอดีตว่าเคยมีคนบรรพชนของอินเดียเนี่ยอารยันเนี่ยก็เคยหอได้แล้วก็ตำนานเกี่ยวกับศาสนาพุทธนี่ยเรื่องห่เรื่องเรื่องอิทธิฤทธิ์ทั้งหลายเนี่ยก็รับสัง่งเล่าถึงลักษณะการทำฤทธิ์ตรงนี้เวลาอธิบายพวกอิทธิวิธิเหมือนกันนะฮะเป็นายในชาละพิญญาสูตรอธิบายเรื่องพญญาหกเนี่ย ก, ก็จะอธิบายเหมือนกัน แล้วเกิดขึ้นแก่ใครก็ทำได้เหมือนกันเช่นว่าประการเอาเอากลับไปที่เดิมฮะกลับไปทบทวนในที่เดิมว่าผู้เดียวแปลงรูปเป็นหลายคนหลายคนเป็นคนเดียวทำที่กาบังให้เป็นที่แจ้งทำที่แจ้งให้เป็นที่กาบังไปได้ไม่ขัดข้องผ่านทะลุฝาทะลุกำแพงทะลุภูเขาดุดไปในอากาศว่าง พุดขึ้นและดำลงไปในแผ่นดินเหมือนในน้ำเดินได้เหนือน้ำเหมือนเดินบนแผ่นดินไปได้ในอากาศเหมือนนกบิปีกทั้งชี้ยังนั่งขัดสมาธิคูปันหลังลูกครามดวงกันดวงอาทิตย์มีฤทธิ์อานุภาพมากอย่างนี้ได้ด้วยความมือและแสดงอานาจทางกายเป็นไปตลอดถึงผุมาโลกได้ดังนี้ก็ตามในทีวิธีเหล่านั้น เราก็ถึงแล้วซึ่งความสามารถทําได้เป็นกักีพยานในขณะที่อายตนะยังมีอยู่นี่ก็คือพวกพวกอิทธิวิธ ท, ทั้งหลายเนี่ยที่จึงพระเจ้าก็เคยใช้นะใช้เจนวัดเสด็จไปทางอากาศพระโมคคลลานะนี่ใช้บ่อยมากกว่าเพื่อนพระกอมพตินี่ก็ใช้บ่อยเอพระเจ้าก็เสด็จไปทรมานอย่างพระ ก, กาพรมเนี่ยก็เสด็จไปสู่ปรมโลกเลยไปทรมานพระกาพรม หรือแม้ในบทพาหุงที่เราสวดเนี่ยบทที่ไปทรมานอนันตนาคไอไอนันโทป น, นันตนากราชเนี่ยก็ใช้เลื่อนลอยไปในาการคือเหาไปในอากา ร, อ ห, อาการหรือว่าสเสด็จไปทรมานพระ ก, กาพรมก็หาไปไม่ไม่ใช่เหาเบออันตรธานไปเลยนะไปเวลาที่รวดเร็วมาก คือจะลืมว่าพวกนี้มันเป็นความสำเร็จโดยกําเนิดของเทพของเทวดาแต่พระพุทธเจ้าก็เป็นวิสุทธิเทพซึ่งมันเหนือกว่าเทวดาเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระเจ้าจึงเหนือกว่าท่านเหล่านั้นเพียงแต่ว่ามันเป็นคุณสมบัติเฉพาะเฉพาะองค์พระพุทธเจ้าอย่างศาสนาคริสต์ก็มาคุยเรื่องพระเยซูทําคนตาบอดหายบอดทําคนบ้าหายบ้าอะไรต่างๆเนี่ยพวกของเราเยอะนะเรื่องอย่างเงี้ย แต่มันเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวพระพุทธเจ้าเฉพาะองค์พระพุทธเจ้าเรารุ่นหลังเราทําไม่ได้เราไม่มีกําลังอะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่าถ้าเราเชื่อเนี่ยมันเห็นว่าจิตตานุภาพที่เราใช้อยู่เราฝึกจิตอยู่เนี่ยปัจจุบันเราใช้ได้นิดเดียวไอ้จิตตานุภาพที่สมบูรณ์มันมีพลานุภาพมหาศาลอยเล ย, เยขนาดว่า ออกเขินไปในอากาศได้ดำไปในในแผ่นดินได้ะอะไรต่อเนี่ยซึ่งซึ่งเรลองสังเกตนะแนวจีนและแนวอินเดียเนี่ยจะจะมีอยู่ในเรื่องเหล่าเนี้ยดำก็มังภายใน่อยดำก็ในแผ่นดินลิ่งก็ไปเบนน้าเขินไปในอากาศะอะไรต่อไรเนี่ยมันพวกนี้ก็มีวันใกันดีพระพุทธศาสนาแล้วก็มีคนเขาฝึกเขาฝึกระดับเนี่ยระดับระดับพวกปัญญาที่เป็นโลกิยาเนี่ยเขากฝึกกัน แล้วก็มีบรรพชนเขาก็ทําได้เขาก็เคยพบเห็นมาก็ถ่ายทอดกันมาก็เล่าขานกันมาก็ซึมซับอยู่ไปในจิตใจของบรรชนรุ่นหลังแล้วก็นําเรื่องเหล่านั้นมาขีดเขียนมาเล่าสู่กันขว้างของเรามันก็แนวกำบังกายอะไรอต่างๆรเราเห็นว่าเราก็มีนะะแนวกำบังกายอะไรบรรพชนก็ทําไว้แต่ถ้าพอถึงเป็นแนวาศาสนาเราไม่ได้นิยมไปใช้ในด้านการสร้างหนังหรือสร้างอะไร วันแนวที่จะใช้เทคนิคไปสร้างเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาเราจึงไม่ค่อยมีซึ่งพีดกับอินเดียพีดกับจีนนะฮะแล้วแม้แต่แถวอารับเอาเราลองดูแถววารับเห็นไหนั่งพรมแผ่นเดียวก็เหาได้เลยแตาดินตะเกียงวิเศษเนี่ยมันมันจะมีลักษณะของโลกแห่งความฝันแต่ว่าในอดีตการนานไกลานานมันเป็นจริงจงแต่ว่าคนเหล่านั้นในปัจจุบันยุคสมัยที่เขาสร้างนี่ไม่มี แต่ว่าเอกสารเนี่ยมันมีเราสังเกตว่าจะอยู่แถวเอเชียนะจะอยู่แถวเอเชียแบบแบบพออื้นอำนวยอาการเนี่ยแล้วก็เนี้ยตะวันออกกลางเนี่ยจะเยอะเลยพวกอาหรับราตรีแถวอิรักแถวอะไรล่ะอิรักแถวซาอุดิอาระเบียเนี่ยพวกเดยวนี้จะมีมากตำนานพวกมาจากอนินธานทศมุนตรีอะไรอะไรล่ะพันอ่าพันพันพันหนึ่งทิวาพันเอ็ดราตรีอะไรเนี่ยนะ จะมีเรื่องแนวนี้อยู่ทีนี้ก็รับสั่งว่าภิกษุตั้งหลายหรือถ้าเราหวังว่าเราพึงทำให้แจ้งซึ่งเจตมุตปัญญาวิมุตตนาสาาาวาไม่ได้ประหมดอสวะด้วยปัญญายิ่งเองในทิตรธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่ดังนี้ก็ตามในวิชานั้นๆเราก็ถึงแล้วซึ่งความสามารถทำได้จนเป็นสกิประญาในขณะที่อายตนะยังมีอยู่ ประเด็นตรงนี้ได้โปรดเข้าใจนะว่าช่วงตรงหลังเนี่ยมันเป็นเป็นเรื่องที่ส่งสัมผัสสมบูรณ์เมื่อตอนศัสรุแล้วแต่ว่าข้างบนเนี่ยมันเป็นโลกิยะได้นะช่วงก่อนช่วงอิติริสเนี่ยเป็นเป็นโลกิยะก็ได้เป็นโลกุตระก็ไ ด, ได้ทีนี้เอเจโตวิมุตต์เนี่ยเป็นความหลุดพ้นอย่างหนึ่งคือพระอาราหันต์ถ้าเราจะแยกแยกเป็นประเภทมันมีสี่ประเภทแต่ว่าทางบรรลุพระอาราหันต์เนี่ย มันก็มีอยู่สองวิธีวิธีหนึ่งท่านได้ว่จโตตัวมุตคือจะเริ่มจากศีลสมาธิเนี่ยขึ้นปัญญากันไปแล้วก็ท่านก็บรรลุมรคนพวกนี้จะได้วิชาสามปิญญาหกปฏิสัมพิชญาสีตามมาด้วยเกิดมากแล้วก็จะออกมาในรัตนาอย่างนั้นอีกฝ่ายหนึ่งนั่นจะใช้เจริดินไปปัสนายกสังขารขึ้นมาปิจารยกอะไรก็ได้นะขึ้นมาปิจารนะ แล้วจนเห็นความจริงตามประจัยลักแต่ก็ลดละถ่ายทอนตนามานาทิฐิลงไปเป็นการบรรลุถ้าหากว่าท่านไม่ได้ผ่านสมถกรรมฐานมาท่านก็เป็นปัญญาวิปุตต์หลุดพ้นจากกิเลสจริงๆแต่ว่าไม่มีคุณสุบัติพิเศษอะไรเขาเรียกว่าสุขวิปสัสสกคือเจริญวิปัสนาลุนๆนมาแต่ว่ากิเลสนั้นหมดนะครับ ทีนี้คนคนเราอย่างไงอย่างไงเนี่ยเราก็ต้องทำงานนะเป็นผู้อนุเคราะห์ต่อโลกดังนั้นในการฝึกปลือททำอะไรให้ได้หลากหลายเนี่ยมันช่วยประโยชน์ได้เยอะอย่างการที่พระโมคคัลลานะท่านมีอิทธิฤทธิ์ท่านเที่ยวไปในนรกไปดูเปรตไปเยี่ยมวิมานอะไร ต, ต่างๆเนี่ยมันก็มีส่วนช่วยในการชี้เรื่องบาบุญคุณโทษให้แก่คน เราลองดูตัวอย่างที่คราวหนึ่งพันเอกอะไรพันเอกสนอกเรื่องอะไรเนี่ยนะรู้สึกพันสนอจินตรัดอะไรเนี่ยนะที่มันมีเทปอยู่สองมวนไดยเผยแพร่กันอยู่เนี่ยก็เห็นว่าคนเชื่อบาปบุญคุณโทษขึ้นมาเยอะเลยในคราวหนึ่งที่พูดถึงครูบุญชูอยู่แถวอะไรอ่ะทางแถวลบบุรีแถวนครสวรรค์ได้แถวนี้นะเราเคยเจอเรื่องนานแล้วหลวงพ่อวัด โสทอนวรารามเนี่ยพิมพ์เผยแพร่เป็นแสนแสนเล่ ม, มเล่มบางๆนะฮะเป็นกระดาษปรูบธรรมดาเล่าถึงการที่ครูบุญชูเนี่ยสลบไปแล้วก็ไม่ใช่คือสลบไปแล้วก็ฟื้นฟื้นแล้วก็สลบต่อเนี่ยแล้วก็กลับมาเล่าเรื่องวิจิตพิสดารมันมีสักขีพยานหมดทุกจุด โยมมาบานที่แกไปพบแกมาเล่าซึ่งแกไม่รู้จักเนี่ยคนรุ่นก่อนเขาก็รู้จักลูกของโยมมาบานที่ยังอยู่ในเขตอำเภอของแกเนี่ยแกก็ไปพบมาแล้วคนผู้หญิงกับผู้ชายผู้อดีตผู้ใหญ่บ้านกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นชู้กันแล้วก็มังปีนต้นงิ้วอยู่เนี่ยแกก็รู้จักทั้งคู่ แล้วคนที่จะตายบริเวณก ใ, ใกล้ๆบ้านแกห้าคนที่โยมาบาลให้แกอ่านดูหน้าหนึ่งเนี่ยจำได้หมดเลยแล้วแกมาบอกรายละเอียดแล้วก็ตายตรงกันเลยตรงกับที่แกบอกไว้วันเวลาโรคที่เป็นเหตุให้ตายนี่ก็ตรงกันทีนี้ถ้าคนฟังเรื่องเหล่านี้อันนี้ไม่ไม่ใช่เรื่องอิติริศแล้วนะฮะเป็นเป็นเรื่องของอสังสา ร, รวัตรธรรมดาแล้วถ้าคนเชื่อ คนก็จะเห็นว่ามันเป็นการจาแนกเรื่องกรรมไว้ทั้งสองแนวั้แนวกุศลลกรรมทั้งแนวความกุศลลกรรมและกรรมมันจะติดตามบุคคลไปนะเช่นอยมบาลคนที่แก่คุณนะฮะคนที่มารับตัวแก่ไปเนี่ยพูดแล้วก็นอนไหลออกมาจากปากแกถามมาลุงทาไมลุงเวลาพูดแล้วนอนมันไหลออกมาจากปากแกบอกว่าชาติปังกรเนี่ยเป็นควานช้างก็ได้อาหารช้างแล้วก็ไปยักย่อกก็ไปกินเหล้า เสื้อช้างจํานวนหนึ่งแล้วเงินจํานวนหนึ่งก็อยากยกไปกินเหล้าก็ประจําทุกวันนะี่ยนะฮะจึงลักษณะเหล่านี้มันแสดงให้เหน็นถึงผลกรรมที่ไม่ใช่เบียดเบียนคือเบียดเบียนตัวเองในการดื่มเหล้าแล้วไ ป, ไปแย่งอาหารช้างด้วยแล้วก็ไปหลอกลวงเจ้าของช้างโดยมันก็ผิดศีลตั้งเยอะนะฮะผิดศีลทั้งสามข้อเลยรวดเดียวเนี่ยจากนั้นมันก็กลายเป็นบาปกรรม ทีนี้บาคนเชื่อเรื่องบาปรกรรมมันก็ทำให้งดเว้นบาปบำเพ็ญบุญนั่นคือผลดีในเรื่องเหล่านี้แต่ว่าพี่ยุ่งนี่คือคือคนไม่พยายามศึกษาไม่พยายามทำความเข้าใจไม่พยายามคนา้นคว้าไม่พยายามพิสูจน์ทดสอบแล้วก็ปฏิเสธเลยหรือยืนยันไปเลย ถึงไม่ถูกทั้งคู่นะทา้งปัญเจทังยิ น, นอาสวะเป็นชื่อของกิเลสก็แล้วแต่จะเรียกแต่ว่าแปลกที่ว่าเวลาสรุปท้ายประสูตรทั้งหลายเนี่ยก็บอกว่าจิตของภิกษุเช่นพุทธสมุทรถุพุธพระปัญญกวีเนี่ยจิตของพรภิกษุปัญญกวีพ้นแล้วจากอาสาวะทั้งหลายไม่ถือมั่นในอุปาทานแหละ อุปทานนั้นเคยพูดมาแล้วนะฮะอาสวะที่จริงก็คือกิเลสนั่นแหละก็พวกเดียวกับอุปทานนั่นแหละแต่เรียกชื่อต่างกันเรียกชื่อในฐานะที่สะสมหมักห ม, มมอยู่ภายในใจอาสวะก็แปลว่าสิ่งที่หมักหมมหมักดองคล้ายๆกับขยะกองขยะหรือว่าเครื่องหมักดองทั้งหลายเนี่ไอ้สิ่งที่เขาหมักดองทั้งหลายมันก็มีกลิ่นมีกลิ่นมีรสมีอะไรแต่ไรผิดแปลกออกไป คือกรมมาสวัสดสวะคือกามที่สะสมอยู่ภายในใจอยากได้นั่นอยากได้นี้อยากได้น้นเป็นกิเลสนะฮะเป็นเชื่อกิเลสทีนี้พวกวัตถุตั้งหลายก็ถูกแก่กําหนดก็แก่มีชื่อกามอยู่แล้แกไปกําหนดไว้นี้สวยนะรูปนี้สวยเสียงไป ร, อร้องิีนหอมรสอร่อยสัมผัส น, น่าจะต้องนะะมันก็สะสมความอยากไปเรื่อยๆค่อยๆปรารถนาไปเรื่อยมันก็เข้ากระบวนการแล้วถ้าออกมาอย่างนั้นมันก็ออกไปในกระบวนการากัตหานะ เห็นไหมแต่ตอนตกอยู่ในตะกอนคืออยู่ภายในจิตเนี่ยมันเป็นอาสวะจะต้องออกไปทํางานข้างนอกมันก็กลายเป็นก็แล้วแต่เป็นตัญหาเป็นการแสวงหาเป็นกระบวนการนะฮะแต่ถ้าเราสาวกลับมาที่จิตมันมาจากซืบเนื้อมาจากจิตเราไม่กมามอาสวะเนื้อสวะคือกามอยู่เพราะงั้นเมื่อเมื่อมีสิ่งเร้าคล้ายกับอะไรล่ะเรามีเชื้อมีเชื้อโรคอยู่แล้วพอดีไปรับเชื้อมาจากข้างนอกก็พอดี เรามีเชื้อหวัดอยู่พอเจอหวัดพอเจ อ, อ, เจอละองฝนขึ้นมาก็พอดีแต่ถ้าเราไม่มีเชื้อเราก็ไม่มีเราก็ไม่เป็นหวัดนะอนจะกระปรีกระปราอาจจะกระจับกระเส็งขึ้นในซ้ำไปนี่ก็คือสิ่งที่สะสมเนี่ยแล้วแต่จะเรียกบางทีเรียกอนุสยัยเรียกสังโยชน์เรียกอาสวะพวกนี้จะอยู่ลึกทั้งนั้นน ะ, ะบางทีเรียกคันถะเดกโยคะเด็กโอคะ เ, เยอะนะฮะก็คื อ, ค อ, คอ ภาษาที่ใช้เรียกนี่เยอะทําไมลองสังเกตภาษาที่ใช้เรียกเนี่ยมันจะเป็นรูปธรรมเพราะกิเลสเป็นนามาทํามันดูเป็นยังไงรูปร่างมันเป็นยังไงความโกรธในรูปร่างเป็นยังไงเราก็ดูไม่ออกหรอกแต่เรารู้ที่ตัวคนโกรธนะเห็นไหมคนโกรธนี่เราจะรู้เลยแขกโกรธจริงโกรธไทยโกรธม้าโกรธแมวโกรธเสือโกรธคนโกรธอะไรแต่เราดูออกมาได้ แต่ถ้าถามว่าไอ้ตัวความโกรธนี่คืออะไรเราอธิบายไม่ได้เพราะนั้นเวลาจะ ต, ต้องการสื่อเนี่ยจึงใช้สิ่งที่เป็นรูปธรรมมาเรียกสิ่งเหล่านั้นเห็นไหมอุปาทานเนี่ยคือจิตมันไปยึดไปยึดคือจับไว้ไม่ปล่อยเนี่ยมันก็มีปัญหาดิถึงใคาจะต้องปล่อยไม่ยอมปลอ่อยญาติพี่น้องสมมติว่าเราเอาลูกหลานไปโรงพยาบาลล้วอุ้มไปโรงพยาบาลปรีลูกหลานตายระหว่างทาง มันก็ต้องจัดการเรื่องอื่นแล้วจะไม่จะเอาไปรักษารักษาไม่หายเอาสมมติเอาไปรักษาแล้วแต่เรายัางยึดถือว่าต้องหายอยู่นี่มันตายแล้วเนี่ยหายได้ไงนั่นก็แสดงว่ายึดยึดเพราะอยากแล้วในที่สุดเราก็เดือดร้อนเพราะไม่จะจะไม่เป็นไปตามที่เราิตเพราะว่าสวาสัตวะคือพบคือความมีความเป็นต่างๆแล้วก็ยึดติดในความมีความเป็นตรงนั้นมันสะสมหมักหมมอยู่ภายในจิตใจนะฮะ อย่างที่ล่าว่าคนบางคนอายุตั้งแปดสิบกว่าแล้วนะยังอยากจะเป็นอยู่พอเขาไม่ให้เป็นก็เกิดทุกข์โธมานาัดร้องไห้แล้วก็เฉาตายไปเลยเป็นเรื่องที่ เ, เรื่องน้าคิดเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็มาจบที่อาสวะอ่าอาวิชาสวะอาสวะคืออวิชาคือคือเพิ่งสังเกตนะะอวิชาเนี่ยพวกกิเลส ที่ละเอียดละเอียดแต่เนี้ยกิเลส ท, ที่อยู่ลึกๆเนี่ยเขาจะต้องมีวิชาอยู่ข้างล่างหมดอลยสังโยชนก็วิชาอยู่ข้างล่างอนุสัยก็วิชาอยู่ข้างล่างสภาวะกวิชาอยู่ข้างล่างโยคันถะโอคะอะไรต่ออะไรเนี่ยก็มีก็มีอวิชาอยู่มีวิชาอยู่ข้างล่างทั้งหมดอุปาทานนั้นมันเป็นอาการของวิชาเพราะงั้นเ อ, อกิเลสเนี่ยมันหมดสักข้อก็ออหมดนะโดยเฉพาะถ้ากิเลสประเภทโมหะหมดแล้วอย่างอื่นหมด กเลสประเภทโลภะไม่แน่นะโลภะไม่แน่เพราะโลภะมันไปหมดอยู่แค่แก่เป็นพระราคามีเนี่ยก็หมดแล้วพวกกรรมราคะเนี่ยก็หมดแล้วแต่ในที่จุดนจริงจริ ง, รงท่านก็ยังติดในสุกระดับฌานนะก็เรียกว่ารู ป, ปราคะก็ยังพอใจติดใจกับหนักเพลิดเพลินยินดีอยู่ในรูปฌานปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมหมายความว่าเห็นได้ในปัจจุบันเนี่ย เพราะงั้นลองเราทดลองอะไรล่ะทดลองดับกิเลสในปัจจุบันเนี่ยทดลองดูนะก็ะจะเห็นว่าเช่นสมมุติว่าเขาด่าเนี่ยถามมด่าใครก็ด่าเราด่าเพราะอะไรด่าเพราะอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วถามมาเราจริงหรือเปล่าถ้าจริงก็ถือว่ามันก็เป็นบทเรียนที่เราสํารวมระวังต่อไปต้องขอบคุณคนดา่าถ้าไม่จริงอ่ะ ไม่จริงเราก็สงสารคนดา่าเราก็ไม่ด่าแกหรอกปล่อยกระดาไปคนเดียวมันเรื่องอะไรที่เราจะไปทำบาปไปโต้อตอบกับเขาเห็นไหมตัวนี้มันก็ใช้สติสัมปชัญญะมันก็ดับกิเลสดับโทสะดับโกธะต่างๆที่จริงมันมีการด้วยยุนะท้าทายส้าถีท้าต่อแต่เราไม่โกรธก็จบละเขาเรียกว่าตาทังกบวิมุต คือจิตมันหลุดพ้นด้วยองค์นั้นๆด้วยอารมณ์นั้นๆเจตเนี่ยที่แสดงชนะความกโกรธด้วยความไม่โกรธชนะความชั่วด้วยความดีชนะคนสนิทโดยการให้ชนะคนพูดจาหล่อแหลกโดยการกล่าวคําสัตย์คาจริงเนี่ยก็ทําไปได้ต่อเนื่องอันนี้คือหัดนิพานอน่อนๆแสดงว่าจิตมันก็หลุดพ้นนะเจตโตมันคือจิตหลุดพ้นระดับหนึ่งแต่ว่ามันช่วงสั้นๆ พอมาถึงระดับสมาธิมันก็มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้ น, นคือจิตหลุดพ้นได้ด่านขึนแต่ของพระโพธิสัตว์เนี่ยเห็นได้ชัดว่าตรงนี้เป็นระดับของอภินยาแต่ไม่ใช่ถึงกับหมดอสาศาวะนะยังไม่หมดอสาาวะเพายังไม่ได้จัดสรู้คือบรรลุอสศาวะขยาเนี่ยต้องจัดสรู้ก่อน อะเรมักนั้นจะต้องสมบูรณ์แต่ตรงนี้เราจะเห็นว่าสีนี่สมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาก็ยังไม่สมบูรณ์จึงทํำลายที่ตัววิชาไม่ได้แล้วก็ในวิชานั้นๆเราก็ถึงแล้วซึ่งความสามารถทําได้จนเป็นสกิปริยานก็เป็นการเตือนให้ภิกษุเป็นการเล่าให้ภิกษุษฟังนะว่าพระองค์ทําได้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ ที่จริงมันกระตุน้นใครภิสูจทดสอบว่าทําได้จริงหรือไม่ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกบรรลือเสียนาศนะบรรลือเสียนาบรรลุดุดราชสีในฐานะที่เป็นเป็นโจกคือเป็นหัวหน้านะของพญาราชสีทั้งหลายเนี่ยสามารถบรรลือแบบเสียนาศออกมาได้ก็ที่จริงก็คือปัจจัยนตนนะฮะปัจจายานตนตามความเป็นจริง ไม่ใช่เรื่องอวดแต่ว่าปฏิญาณตนําความเป็นจริงแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้คนอื่นก็เกิดความกระตือรือร้นที่จะศึกษาตามปฏิบัติตามแล้วพิสูจน์ทดสอบมันก็กลายเป็นเอชิปติโกนะฮะคือเชิวนจากชวนมาพิสูจน์ทดสอบมาดูกาชมแต่ถ้าคนสนใจที่จะศึกษามาพิสูจน์ทดสอบคนเหล่านั้นก็ได้สัมผัสอย่างที่พระพุทธเจ้าได้สัมผัสมานั่นเองดังนั้นในเรื่อง คุณธรรมสี่ห้าข้อเนี่ยฮะฉันทะความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้นวิริยะเพียนมันประกอบสิ่งนั้นจิตตใจพักฝ่จดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นวิมังสามันตรวจสอบพิจารณาหาเหตุผลในสิ่งนั้นและความเพียนมีประมาณโดยยิ่งความเพียนที่เข้มงวดเดียวจริงกระจังเพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะให้ ผู้ปฏิบัติจะเป็นใครก็ตามนะไม่ใช่เจาะจงนะพระพุทธเจ้ามันเส้นทางสายเดียวกันมาเส้นทางสายเดียวกันคือโดยเสด็จรอยอยุคนบาทแน่นอนเราจะไปถึงอย่างพระองค์ก็ยากแต่ว่าควรจะหัดควรจะทดลองอย่าน้อยที่สุดอย่าให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสใช่บ้างอย่าเก็บกดหรือว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วผ่านแล้วใช่บ้างอย่ากลุ่มไม่ตกกังวลอะไรมานักหนาไปแบกไปทาไมโลกก็มีให้เหยียบไม่จะมีให้แบกทําใจสบายๆเนี่ยโลกมันก็ เป็นเพียงที่พักความนักชั่วครั้งชั่วคราวเรามาอาศัยโลกแล้วเราก็ทิ้งโลกนี้ไปโลกอะไรก็ไม่ใช่ของเราอะไรทั้งหลายมันก็ไม่ใช่ของเราเป็นการปล่อยวางสุขทุกอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกไม่สุขใายใจไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกใจถามใจตัวเองว่าเราต้องการสุขหรือต้องการทุกเพราะนั้นตรงตรงนี้ที่จริงก็โดยเสด็จได้ระดับหนึ่งทั้งฝั่งทังไห แต่ลงมาโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเป็นท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยตัวกันสวัสดี